เราเรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมาพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้ร่างกายเราเนี่ยไม่กี่วันมันก็ตายแล้วใครจะไม่ตายมั่งฮะ <c oughs> ใครไม่ตายมั่งไม่กี่วันนะพรุ่งนี้รู้เปล่าว่าตัวเองยังยังมีชีวิตอยู่รู้ไหม นี่อายุเท่าไหร่นั่งใกล้ๆก็สวยหน่อยนะนุ่ม <laughs> <laughs> อายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบสอท่าบป้าเราจีกปฏิทินปีของเราไปแปดสี่สิบสองแผ่น <c oughs> แผ่นที่สี่สิบสามจะมีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เข้า <c oughs> ใจปะอืมเราก็จะประมาทไม่ได้ เราประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจริงจะต้องฝึกฝึกคืออะไรก็ให้ดูความอดทนของเรานะว่าความสามารถความสามารถในการที่จะอดทนของเรานะเราจะอดทนกับอะไรได้มั่งอย่างฟังอัตมาพูดเนี่ยมันมีความอดทนที่จะนั่งนิ่งนิ่งควังได้ไหมแต่ความอดทนตรงนั้นไม่มีอย่าวบางอาจ ว่าเราจะไปทนต่อทุกขเวทนาตอนที่เราใกล้ตายได้เวลาใกล้จะตายอ่ะให้รู้ตัวไว้เถอะอย่าอวดดีเจอกับทุกขเวทนาแล้วก็รับรองได้หายนะแน่ไปาบายหมดอนะ่ะบุญมันออกมาป้องไม่ได้เข้าใจปะอืมมันขึ้นมาเป็นเกลียวเกลียวเกลียวเกลียวแล้วก็ พยยบายหมดความอดทนต้องมีพอเมื่องั้นนะ่ะมัน ไ, ไม่ได้ด้วยการคิดจาไว้ไม่ได้ด้วยการอ่านไม่ได้ด้วยการคิด มันได้ด้วยการเข้าใจชั้นของความเข้าใจที่ลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่พิจารณาหเหตถึงความเป็นจริงเราก็จะหลอกลวงตัวเราเองหลอกลวงตัวเราเองด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของความหลงไง ถ้าเราพิจารณาแล้วเราไม่รู้ถามว่าชีวิตเรามีค่าไหมเราเห็นค่าชีวิตของเราแต่คนที่มันยังหลอกลวงตัวเองอยู่ยังหลงอยู่เ ห, เ, ยยเห็นค่าของตัวเองแล้วทำยังไงโอ้เห็นค่าของตัวเองแล้วเห็นค่าของชีวิตแล้วมันจะต้องรีบหาอะไรกินอร่อยอร่อยหาอะไรดูสนุกสนุก หาอะไรความที่ชอบชอบต้องรีบทําในสิ่งที่ชอบแล้วเว้ยเออไอนี่ไเนี่ยเห็นเห็นว่าตัวเองนั้นมีชีวิตมีค่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องช็อปปิ้งมันต้องซื้อของเป็นเดมมันจะต้องมันเขาเรียกว่าเห็นแล้วทําให้เกิดความลหลงใหลไอ้นี่คือความประมาทเห็นแล้วทําให้เกิดการเห็นภยัยนึกถึงความตายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรันว่า พวเวสรนังยันติบัตานิวนานิจจะอรามารุกะเจตนานิมนุษย์ปัญญาติตาเนตังโคสรนังเกมังเนตังสรนมุตเตมังเนตังสรนมาคมสัสสะปะดุก้าอาบามุจติว่ามนุษย์เป็นนนมากพอมาคิดอย่างนี้แล้วเห็นความตายอ่ะเห็นความตายว่าเราจะต้องตายแน่ๆไม่รอด มันมีทางที่เราคิดว่าเราจะรอดไหมมีไหมไม่มีทางนะใช่ไหมมองไปเอะมองไปข้างหน้าก็ไม่รอดข้างบนก็ไม่รอดซ้ายไม่รอดล่างไม่รอดบนไหลางไม่รอ ด, ไ ม, รอดไม่มีทางรอดไม่รอดแน่แนตายแน่ๆนไปถึงเง็นถึงไหนถึงไหนก็ตายแน่แน่วานมนุษย์ถวนมากมันเลยพหุ้งเวสรนังยันติปปตาิวนานิจะเลยวิ่งหา ภูเขาต้นไม้อารามเจดีสิ่งสัต์สิทธิ์จอมปลวกแม้ติ่ขี้วัวขี้ควายแห้งๆก็เอากันอืมแล้วก็มนโนตามความเชื่อตามความคิดว่าพึ่งอันนี้พึ่งอันนี้พึ่งอันนี้พึ่งอันนี้พึ่งไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเองเป็นไงไม่ตายเพื่อให้ตัวเองรอดตายไอชั้นของความคิดมันเลย เข้าไปไม่ถึงสัจจะไงเห็นความจริงแล้วแหละว่าเราต้องตกตายแน่ๆไม่รอดแล้วทำไงดีวะก็วิ่งหาที่พึ่งเรานี้หาที่พึ่งเรานี้เพื่อให้ตัวเองเป็นไงรอดตายไอการวิ่งหาที่พึ่งเรานี้เพื่อให้ตัวเองรอดตายมันเป็นอะไรมันเป็นมายาถูกไม้มมันเป็นเหมือนม่านหมอกที่ปิดบังปิดกั้นเรา ไม่ให้ทะลุเข้าไปสู่ความเป็นจริงที่ยิ่งไปกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นยากในการที่จะไปเดินแน่วแน่ในเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะสุดท้ายมันต้องไปผ่านสิ่งเหล่านี้ทีนี้มัตเตอกี้บอกว่าทุกกเวทนาที่มันจะเกิดกับเรากับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสระเพทดตามริดสันติ มรณะตั้งชีวิตตังชรังปีปตะวมรนังเอวังธมาหิปานิโดสเพสตามริสันติ่ฮะอั น, นี้ใครไปเมื่อกี้เอาดิสัตต์ตั้งลายตั้งรินจากตายรวมใครมดเนี่ยเว้นไห ม, ม <laughs> ต้องปาไปอย่างนี้สัตต์ั้งลายตั้งรินจากตายรอดไหม เออมาเรานั่งตังง้งยีชีวิตตั้ง เ, ออเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสองอย่างมาพิจารณาเด น, น้องก็มาเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดหมายความว่าอะไรเพราะชีวิตชีวิตคือใครเรามีความตายเป็นที่สุดหมายความว่าอะไรเคลื่อนไปข้างหน้า น, นี่ความตายอยู่ใกลหรือใกล้ไกลหมัก ต้องเรียกว่าใกล้มากมากทำไมจึงใกล้มากมากเพราะมันมีมันมีเวลาอยู่เท่าไหร่เรียกไว้เหอะวินาทีนาทีชั่วโมงอะไรวันเดือนปีกลางวันหรือกลางคืนนะ ม, มทุกเวลาเหล่านั้นตายได้หมดใช่ไหม อา้าสถานที่มันมีเท่าไหร่มัางที่สูงที่ต่ำอะไรกี้อ่ที่ลับในน้ำบนบกอากาศซอกภูเขาเหวถ้ำ ท, ทุกที่เป็นไงตายได้หมดเอาอิริยบทมีกี่อิริยาบทฮะ ยืนเดินนั่งนอนนี่เขาเรียกว่าอิริยาบถหลักมีอิริยาบถอื่นอีกไหมอิริยาบถย่อยเช่นนั่งเนี้ยออย่างนี้เขาเรียกคูอยู่ตายได้ไห ม, ไมไ <c oughs> ทุกอิริยาบถสามารถที่จะตายได้หมด <c oughs> เพรา ะ, ะความตายมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรหรอ ความตายไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศความตายไม่มีแบ่งขอบเขตเรื่องศาสนาความตายไม่ฮะเอ้ยความตายไม่จำกัดวันเวลาความตายไม่นำพาเอ้อ เรื่องของวัยความตายไม่กําหนดเรื่องชนชั้นความตายนั้นไม่สําคัญว่าตายที่ไหนความตายไม่มีแบบว่าต้องตายอย่างไรที่แน่แนความตายนั้นซ้ายแน่นอน <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> มันจึงจําเป็นที่จะต้องเอาเรื่องของความตายเนี่ยมาเป็นเรื่องสนทนา ถ้าเราน้มเข้ามาพิจิตรพิจารณาในเรื่องของความตายลงมาที่ร่างกายในชีวิตของเราเราก็จะเห็นชีวิตของเราที่มีค่ามากยิ่งขึ้นมันจะได้ทำในสิ่งที่สาคัญที่สุดที่มันควรจะทำได้แต่ถ้าเราไม่น้อมความตายเข้ามาพิจารณามันอยู่กับอำนาจของความหลงความมายามันก็จะ เห็นสิ่งที่ควรตามก็อะไรเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเป็นสําคัญน้อยเห็นสิ่งที่มีความสําคัญน้อยเป็นสําคัญมากมันเห็นไม่ตรงไม่ถูกสักทีมันก็จะเริ่มยกออกความตายนี่แหละอว่าอันนี้อื่นหมื่นแสนในแดนโลกนะยังไงพอย้ายโยกหลบลี้หนีกันได้แต่นีหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าความตายนี้ไม่ได้ไปไม่พ้นเราคนเดียว ความตายมันง่ายมากนะอย่าลืมอมืชีวิตเราที่กำลังดังเดินอยู่มันเดินอยู่บนเส้นได้ได้ที่กูขึ้มาอย่างเงี้ยแล้วเราเดินอยู่บนเส้นได้โอกาสตกเป็นไงฮะโอกาสตกเนี่ยเยอะมากในร้อยเปอร์เซนตโอกาสตกเป็นไงเก้าสิบเก้าเหลือเปอร์เซ็นต์เดียว่ที่จะรอดแล้วเรารอดมาได้ยังไงมันอาศาัศจรรย์เหลือเกินไหมล่ะ ไอคนที่มันเดินบนตะดนในรถชนตายไม่ใช่เรื่องแปลกไอคนที่รอดสิมันอัศจรรย์ใช่ไหมไอเรารอดมาได้นี่ยูเกิดที่ญี่ปุน่นมารอดมานั่งดูนีน่ได้โอ้โหมันรอดมาได้ยังไงมันอัศจรรย์เหลือเกิน เ, เ, เราอยู่กันมาจนผมห อ, อกสองสีเลยเนาะรอดมาได้ยังไงวะ <c oughs> มันรอดกันมาได้ยังไงเนี่ยมันฟังดูมันเรื่องน่าตลกแต่มันอัศจรรย์กับการรอดมาได้มันไม่ใช่รอดมาได้เพราะเราไปนั่งตรวจบนอ้ อ, อนวอนมันไม่ใช่รอดมาได้เพราะเหตุอะไรอื่นมันรอดมาได้ด้วยความไม่ประมาทของเราเป็นหลักมันรอดมาได้ด้วยความไม่ประมาทของเราเป็นหลัก มันรอดมาได้เพราะว่าเหตุอันทําให้เราตายนั่นน่ะมันไม่ประจวบเหมาะอ่ะมันยังไม่ประจบเหมาะกับเหตุปัจจัยอันทําให้ตายแต่เราจะตายไหมแน่นอนอืมเราจะรอดไหมไม่รอดเพราะนั้นถ้าเรารู้หรอไอการไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าสมมติมันขีดมาแล้วก็เราเกิด เหมือนของในเซเว่นเนยไม่มีเนาะเหมือนของในเซเว่นมันเขียนสองบรรทัดวันเดือนปีบรนทัดบนนี่ผลิตบรรทัดล่างนี่หมดอายุเออเราสบายซื้อมาปั๊บโอ้โหเลยอีกหลายวันเว้ยตั้งไว้ก่อนใช่ไหมพอใกล้ใกล้จะหมดอายุเราก็กินแต่เราไม่เรามันมีแค่วันผลิต วันหมดอายุมีไหมหมายความว่าอะไรไม่มีวันหมดอายุหมายความว่าอะไรเผลอไม่ได้เลยหมายความว่าเราสามารถมันหมดอายุได้ทุกเวลาอืหมดอายุได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งในการที่จะต้องจัดการ นี่ถ้าเราพิจารณาเรื่องของความตายอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตเราที่มันหายใจเข้าหายใจออกอยูน่นี้มันมีค่ามากมีค่ามากหนึ่งมันมีชีวิตเดียวอะไรที่เป็นชีวิตเดียวชิ้นเดียวอันเดียวสาคัญไหมล่ะเออมันมีชีวิตเดียวสองมันน้อยสามมันสั้นสี่มันไปเร็ ห้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะหมดตอนไหนโอ้โหอย่างนี้แล้วเป็นไงเห็นความสำคัญอย่างนี้มันเลยทำให้เราไม่ประมาทในการที่จะจัดกระบวนการในการเคลื่อนไหวชีวิตว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสำคัญวิธีการคิดมันจึงปรับกระบวนการขึ้นมาใหม่ว่าเราควรทำอะไรที่มันเป็นสาระกับชีวิตของเรา วันนี้เราอาจจะมีอายุน้อยหรือบางคนมีอายุมากแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้คนที่มีอายุมากมันก็ทำตัวยิ่งกว่าคนมีอายุน้อยนะแต่คนที่มีอายุน้อยถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้โอ้โหมันก็ทำตัวเหมือนคนมีอายุมากเพราะมันเห็นค่าของชีวิตเราจะเห็นยังไง แค่การคิดอย่างที่ตะมาบอกนี่เห็นไหมเห็นแต่มันไม่พอเห็นมันไม่พอที่จะทำให้เกิดการจัดกระบวนการคิดใหม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสรตว์ว่าไงเป็นคาถาห้าบทเรียกว่าอภินาปเจวิกพระพุทธเจ้าบอกว่าอภินาปเจวกแปลว่าต้องคิดพินิจพิจารณาเนืองเนืองเนืองเนืองนือนือเนืองเนืองเือย่างนี้ว่าเนืองเนืองเข้าใจไหม สมำเสมสเอสมำเสมอสมำเสมอจนมันเกิดเป็นองค์ความรู้เป็นองค์ธรรมขึ้นมาที่จิตใจมันเป็นฉันทะแล้วเป็นองค์ธรรมที่มันน้อมเข้าไปมันน้อมเข้าไปเพื่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดต่อสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เรามานั่งฟังอันมาแล้วเข้าใจหรืออ่านหนังสือแล้วเข้าใจแล้วไปพูดอวดให้คนอื่นเขาฟังรู้แค่นั้นไม่ใช่ไอ้นั่นมันขี้โม้เข้าใจเปล่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการธรรมะพินิจเวก ก็คือองค์ฟาบรู้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีกำลังของฉันทะน้อมจิตเข้าไปสู่การเด็ดขาดในการทำอย่างนั้นนั่นแหละมันจึงจะเป็นสาระจริงๆล่ะสนินี่อภินันปจเวกว่าเราตุกพิจารณาทุกวันทุกวันอย่างนี้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนะ่ดูเหมือนไม่สำคัญนะ แต่ที่ท่านให้ชื่อว่าอภินาปัจจเบคือว่าต้องคิดพินิจพิ จ, จรารณาเนืองเ น, องเนืองอย่างนี้แหละแล้วมันจึงจะเห็นความสําคัญขึ้นมาพอเห็นความสําคัญขึ้นมาแล้วเป็นไงมันก็คือมีฉันทะใจก็จะน้อข้าไปเพื่อที่จะจัดการทําสิ่งที่ควรทําในต่อต่อสิ่งนั้นเหมือนกันเหมือนกันนึกถึงความตายเนี่ยการเจริญมรณสติมันไม่ได้เพื่อความหลุดพ้นหรือด้วยอัปปนาสมาธิไม่ใช่ เพื่อความตั้งมั่นของจิตนะก็ไม่ใช่แต่เพื่อให้เกิดความเห็นค่าของชีวิตแล้วก็ไปจัดการชีวิตเนี่ยให้มันอยู่ในส่วนที่มันถูกต้องอันควรทำมีท่าทีอันเหมาะสมในสิ่งที่ควรทาในเบื้องต้นเลยถ้าเราเป็นลูกเป็นแม่เป็นภรรยาสามีเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็ช่างเหอะที่เป็นอยู่ เมื่อเราไปพิจารณาเรื่องของความตายเกินความรู้ขึ้นมาความเด็ดขาดลงไปมันจะจัดการเราทันทีว่าเราเป็นเมียที่ดีไหมเป็นลูกที่ดีไหมเป็นพี่ที่ดีไหมเป็นแม่ที่ดีหรือเปล่าเป็นหัวหน้าที่ดีหรือเปล่าเป็นลูกน้องที่ดีหรือเปล่าเป็นอะไรที่ตัวเองเป็นอยู่นั้นมันดีแล้วหรือยัง นึกถึงความตายมันจะเห็นค่าของชีวิตแล้วมันจะตอกย้ำให้เราทําในสิ่งที่ควรทําอย่างนี้ในสิ่งที่ตนเองเป็นในสิ่งที่ตนเองมีว่ามันดีหรื อ, อยังสาคัญไหมละ่ะการนึกถึงความตายเอางั้นกับฉันเข้ามาเราคิดไปจนถึงว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้เช้าเหลือนี่กี่ชั่วโมงวะเนี่ยบ่ายสามโมงจะสามโมงไนงะ สี่มงเย็นห้าโมงหกโมงอ่านี่สามชั่วโมงยักไว้แล้วไปอีกพรุ่งนี้เช้ากี่เลิกกี่ชั่วโมงหกโมงถึงหกโมงเช้าก็สิบสองชั่วโมงใช่ไหมสิบสองชั่วโมงบวกอีกสามชั่วโมงเป็นสิบห้าชั่วโมงอีกสิบห้าชั่วโมงเราต้องตายแล้วมาถ้ามันมีเวลาชีวิตบอกเนี่ยสิบห้าชั่วโมงนับถอยหลังที่หน้าผากก็ได้ เห็นแล้น้าผากมันมองไม่เห็นนะ่ะนีนหลังมือก็ได้วะ <c oughs> นะสิบห้าชั่วโมงนับถอยหลังตอนนี้สิบห้าชั่วโมงนับถอยหลังความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมอืมเหลือสิบสี่ชั่วโมงนับถอยหลังเป็นไงความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งมันอาจจะดิรนวนิถ่อมยังไงดีนะถึงจะยืดเวลาได้ ดิ้นรนเพื่อกันแต่ในที่สุดมันดิ้นไม่ได้ยืดเวลาไม่ได้มันต้องตายแน่แน่แล้วมันจะทำยังไงจากการที่นัดกับเพื่อนเพื่ อ, อจะไปกินกาแฟที่เชียงใหม่เป็นไงแ a นซ e นเริ่มมีสิ่งเรกที่จะเกิดขึ้นคือระบบการแ a นซ e นจะไปดูที่ซึ่งจะไปไปจองที่สำหรับที่จะไปขายตลาดขายขายเสื้อผ้าที่โบเบไปไง เพราะไร้สาระใช่ไหมอะไรที่ไร้สาระเยอะสุดจะถูกคัดสรรออกไปก่อนอ<า>จะไป อ, อะไรอ่ะที่ไหนที่ไหนมันถูกแค้นเซนไปเรืเ่อยเรยเลยหลืออยู่อะไรทีนี่เหลืออยู่อะไรแม่ยังอยู่เว่ยรีบหาแม่ก่อนโทรไม่พอต้องไปหาเลยต้องไปกาบลาก่อน พ่อแม่ยังอยู่ตรงนี้ครับคือสุดแท้อหะสุดแท้แต่นักขณะนั้นมันเห็นอะไรสําคัญมันจะไปทําสิ่งนั้นก่อนเข้าใจวะใช่ไหมเออมันจะกำจัดออกไปกําจัดออกไปแล้วคนเราจริงๆรู้ได้เลยทีนี่รู้ได้เลยถ้าอีกห้านาทีเราจะตายอ่ะเราจะทําอะไรห้านาทีจัดการไม่ทันนั่งรอเฉยๆมันตายตายไปเ ใช่ไหมฮะนาทีจัดการไม่ทันแล้วโอ้เวลามันน้อยเกินไปแล้วจัดการไม่ทันนะคือเราพูดอย่างนี่พูดได้แต่ลองมันเกิดจริงสิอลองมันเกิดจริงคนที่เป็นมะเร็งอื๋อาคนที่เป็นมะเร็งนี่กระชั่นค่ะโอ้ยคนที่เป็นมะเร็งมันจะกระชั้นเข้ามานะอืม กระชันไห ม, <า>มกระชั้นเข้ามาจากการที่เราคุยกันเนี่ยเรานี่อยู่ในสภาพที่กว้างแต่พอเป็นมะเร็งระยะสามระยะสี่อย่างเงี้ยก็กระชั้นเข้ามาความรู้สึกเขากับเราต่างกันไหมต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหน <c oughs> <c oughs> ต่างกันตรงไหนรู้ไหม เอออือตอมต่างกันตรงที่เราอ่ะหลงกว่าเขาใช่ปะะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะตอนไหนแต่เขาอะอยู่ในกรอบแล้วอืมต่างกันตรงที่ว่าเราอะหลงกว่าเขาเราอะหลงกว่าเขาเพราะฉข้อดีของมะเร็งก็คือ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอถึงตอนที่เราเป็นมะเร็งไงพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามรณะธรำโบมหิมรนังอนานตีโตให้พินิษฐพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ให้น้อมเอาความตายมาเป็นอารมณ์แล้วพินิษฐพิจารณาตอกย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำจนจิตมันซึ้งและมันเข้าใจยืนยันชัดเจนว่า มันมีที่สุดคือมรณะต่างชีวิตต่างคือมีความตายเป็นที่สุดแน่นอนแล้วทงของกายของทงของกายเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เวลามันไม่ปล่อยให้โอกาสกับเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นแล้วมันเห็นค่าของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเจริญพอเรามาเป็นพุทธศาสนาเอกนชนรู้จักพระพุทธเจ้าด้วยแล้วโอ้ ริงจะต้องใช้เวลาทั้งหมดในทุ่มเทเพื่อการจเจริญสติฝึกฝนอบรมกายใจนี้ร่างกายนี้มันจึงมีประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ทำเลยประโยชน์อันสูงสุดของร่างกายนี้คือเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมจิตที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะ ในเอาการกระทำอย่างอื่นเครื่องมือในการที่เราจะใช้ไปทำอย่างอื่นนั้นมันไม่มีอะไรเหลือเลยสมมติว่าเราใช้เขาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาเงินอย่างเดียวเงินเป็นของใครฮะของใครไม่รู้แต่ถ้าอยู่ที่เราก็อุ่นใจไว้ก่อนนะใช่ไหม ถ้าเราใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการสวยงาสิ่งซึ่งเป็นปัจจัยสี่มาคอยอุปธรรมอุปถากสร่องเสพให้กับเรารู้สึกว่าเราดีเรามีเราเก่งเราเราสบายเรารูเราหร่ร า, ราความที่เราจะต้องมองคือว่าความหรู้ความหราความเป็นเลิศความเป็นสุดยอดเหล่านั้นน่ะมันเป็นเรื่องมายา มันเป็นม่านเบกม่านหมอกที่จะดึงเราเข้าไปให้เสียเวลาอเพราะไอ้ตรงนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะมากใช้เวลาเยอะมากกับการที่เราจะต้องอเป็นเลิศเป็นเป็นผู้ที่มีมากมั่งคั่งมันต้องใช้เวลาเยอะมากแต่ถามว่าเรามั่งคั่งไม่ได้เหรอไม่เกี่ยวความที่ใจของเรามันหลงไหลไปกับความมั่งคั่งต่างหา ใจที่มันลหลงไหลไปกับความมั่งคั่งนั้นแหละมันถอยออกมาไม่ได้และไอใจที่มันลหลงไหลไปกับความมั่งคั่งนั้นแหละมันจะทำปิดกั้นเราให้ใช้ร่างกายไปในทางอื่นไม่สามารถใช้ร่างกายนี้มาในทางฝึกฝนอบรมจิตได้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้คืออะไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ว่ากายนี้มันจะต้องแตกกับมันอยู่แล้วร่างกาย นี้มันจะต้องแตกสลายอยู่แล้วแล้วไอ้ความมังคั่งที่มีอยู่มันจะไปกับกายนี้เหล่าลไปไห ม, ไมทุกอย่างมันพินาศสิน้นอันร่างกายนี้เมื่อตายก็ศูนย์สิ้นหมดไม่เหลือร่างกายเนี่ยมันไม่เหลือนะและไอ้พวกชิงทั้งหลายเลยเหล่านั้นนะมันก็จะหายไป ไม่มีสิ่งใดเลยแต่เราไม่แต่ทิ้งที่มันจะต้องดีไปกว่านะั่นคือว่าใช้ก็มาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมจิตถ้าฝึกฝนอบรมจิตจิตมันตายไปด้วยไหมฮะดีนะที่เราตอไปทางเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ถ้ามีใครเถียงกันมาตะโกนนี่ยาวแน่เลยจิตมันไม่ตายด้วยมันตายหรือไม่ตายเรื่องของมันแต่มันไม่ใช่ร่างกาย แต่ร่างกายตายแล้วมันเป็นไงศูนย์สิ้นเพราะร่างกายมันก็แค่อะไร้าทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟประชุมกันอยู่<บ>พอมันแตกสลายแย <�ng> กกันออกไปดินก็ไปดินน้ําก็ไปน้ําอะไรตายไปก่อนอะไรแตกไปก่อนดลมดําลมน้มําดําะลมไฟใช่มั้ไเอลมไฟไปก่อนอืมลมไฟไปก่อนน้ํ alam, นาตา เวลามาอะไรมาก่อนพูดไรมันเหมือนเหมือนกันนะดินเออดินน้ำอืมมมาเป็นลดับอเวลาไปไปต้อง ตกลงกว่าตกลงแล้วระหว่ า, า, างไฟกับลมแล้วเนี่ยระหว่างไฟกับน้ํามีปัญหาเ<ง>มื่อร่างกายแตกสลายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วท่านเราจะเอาชีวิตเราทั้งชีวิตที่มีโอกาสอยู่เนี่ยไปเสวยงหงาสร้างสมสิ่งซึ่งเมื่อเราแตกตายไปมันหายไปกับกายเนี่ย นั้นมนุษย์มันยังมีเรื่องราวที่ดีกว่านั้นอีกอันหนึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องของความตายแล้วก็คือใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมจิตเพราะจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเนี่ยถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความรู้ที่จะเข้ามาชี้ชัดกับเราว่าจิตมันเป็นสภาที่ไม่ตายมันเป็นอมตะธาตุมันเป็นตัวที่บริสุทธ ที่ฝึกฝนอบรมเข้าไปเรื่อยๆจนจิตเดิมแท้มันออกมาที่เป็นปัฏฐสระจิตซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่พูดแล้วเดี๋ยวเราก็มีคําถามถามกันแล้วก็อธิบายกันในเรื่องของเหมือนอธิบายช้าให้คนตาบอดดูซึ่งมันไม่ควรที่จะนํามาพูดกันแต่ว่ามันคนละเรื่องกันแล้วมันก็เอื้อสับสรุนกันไปทางนั้นเหมือนเราทำภาวนาเนี่ยเรารู้เราหมายใจแค่วันนี้เราก็รู้สึก ได้ถึงความตั้งมั่นของจิตในระดับหนึ่งเราคิดว่าไงเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ที่ดีไปกว่านี้มันก็มีอยู่ดีไปกว่านี้มันก็ยังมีอยู่ดีไปกว่านี้มันก็ยังมีอยู่จนถึงที่สุดคือมันไม่มีความทุกข์พ้นจากทุกทั้งปวงมันก็มีอยู่ใช่ไหมล่ะเอาเฉพาะที่เราเจอวันนี้มันก็มีอยู่ที่เราเจอวันนี้มันก็มีอยู่ที่เราทําไปเรื่อยๆ นันการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ร่างกายคือชีวิตของเราที่ยังไม่ตายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมนี่เส้นทางอย่างหนึ่งและถ้าเราเจอในเส้นทางเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าสภาวะที่ปรากฏในเส้นทางเหล่านี้จะทําให้เราถึงใครเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในบุคคลผู้ซึ่งค้นพบธรรมชาตินี้และเราก็ไม่วอกแวกแล้ว ไอ้อย่างอื่นก็ว่าไปกลับไปถึงบ้านเราไหว้าสารพระภูมิเราํำนู่นดำนั่นทำไปเถอะแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องปฏิบัติฝึกผลอบรมจิตต้องเดินตามพระพุทธเจ้าเท่งนั้นเด็กของพระพุทธเจ้าสอนง่ายง่ายไม่ยากง่ายจริงๆยากไหมฮะ ย, <c oughs> <c oughs> ยากที่ไหนมันง่ายมาก ในวันนี้สประโยคเห็นม้าประโยคนโตวะอัตติสตปัสติทีกังวะอัตตะตันโตทีางอัตต่ามิิาีดีกงวะปัตตะตันโตดีกงปัตตามิติรจังวะอัตตะโตรังะ่าิตินาตรจังวะปัตตะโตรังะรามิิชานาตฮะเยเออด็ก็ต่อภาคใบภาคนี้ก็ ต่อกหนึ่งประโยคคือสัพพกายะไปชังเวทีอั ต, ติสมีติสิกติสัพพะกายะบิังเวทีปัสติสมีติสิกติแ่ตรงตรงเนี่ยนี่มันตรงตรงเลยนะสัพพกายะบิชังเวทีอัตติสัมีติสิกติที่เราปฏิบัติกัน28นาทีเมื่อ ก, กี้หลังสุดก่อนที่จบก่กน่นาที รวมด้วยไอ้ปัักายสังขารางังอ น, นี้ออเดสช่วงท้ายอีกประโยคหนึ่งสุดท้ายว่าปัจักายสังขารังอส า, ษษาิตสิกติในช่วงที่ลมหายใจมันหยุดอะร่างกายมันหยุดการหายใจเนี่ยคือปัจฉมักายสังขารังอส า, ษษาิตสิกติไอ้ึงมันได้ตรงนี้ประมาณสิบว่านาที บางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดแต่คนไม่เกิดมันก็ใช่บันผิดไอ้คนที่เกิดมันก็ไม่ใช่ว่ามันดีเลิศนะอย่าเข้าใจหลงผิดหลงผิดมันเกิดก็คือเกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิดฮะเข้าใจไหมอย่าไปโทษตัวเองว่าทาไมเราไม่ได้ทาไมคนน้นได้อย่างเงี้ยอย่าไปอย่างนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแค่เกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดก็คือเกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิดเท่านั้นเองแต่เนี้ยเป็นประโยคอะไร อันนี้มันเป็นสูตรเหมือนไอสไตลคนพบอีเทกับเอมซกลังสองใช่ปะ่ะและ้วก็หามาสิเออหาอีเทกับเอมซีกำลังสองแยกมาก็เอามาผสมผสมผสมผส ม, ม, มก็ได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรเฮ้ยไม่เคยเรียนห่ะมันได้เป็นอะไรฮะเออได้ป็นแบบแบบแบบมนง มันเป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมล่ะเออเหมือนกับไอ้การติดตาการชำอะ่ะการเพาะนอกจากเราใช้เม็ดนอกจากใช้ยาอื่นแล้วเอากิ่งกับกิ่งไปทาบกันแล้วก็เอาเชือกพันๆๆๆเอาเอากะมาเ้าวุ๊บปุๆบปุ๊บปุ๊บคุ๊บคือใคร๊บปุ๊บปุ ไอ้คนที่คนพบมันเป็นใครอ่ะมันก็คือไอ้ไอ้รูชื่ออะไรว่ารูเธอร์เบอร์เบ้ใช่ไหมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าพอเขาคนพบมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็เห็นไหมล่ะที่เขาเอามาตั้งกันอยู่เยอะแยะมากมายอ่ะก็เหมือนกันอ่ะพพุทธเจ้าบอกว่าทีฆัง อ, งอัตราทั้โตทีฆังอัตสามีตีประชานาติมันก็ไม่ต่างอะไรกับีเท่ากับอ็มซกลังสองนั่นแหละ ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามนั้นอ่าปฏิบัติตามอีเทกับเอ็มซีคั้งสองได้ปฐมณูมาปฏิบัติตามทีครั้งว่าอัจฉริันโตทีครังอัตถามีดีประชานาตีมันก็ได้ความตั้งมั่นของจิตมาเราอย่าไปอวดเก่งว่าเราดีกว่าพระพุทธเจ้าอย่าไปหลงผิดว่าคนอื่นดีกว่าพระพุทธเจ้า ต้องดูต้งพระพุทธเจ้าแล้วดูพระองค์สอนอย่างไรแล้วก็ทําตามที่ท่านสอนนั่นแหละและพระพุทธเจ้ามารดานับถือพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ถูกเทพเทวานิยมจะมาลงโทษเราเมื่อไหร่ใช่ว่าเอออย่างงี้สิชื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติไปนึกถึงความตายแล้วให้รู้ว่าชีวิตเราเหลือจะตีบเดียวเท่านั้น หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกเป็นยังไงหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าเป็นยังไงหัวใจเราเต้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ตึ๊บตึบมันเคยหยุดไห ม, ไมไวันไหนมันหยุดเราเป็นยังไงอืมเราจะดีเราจะเด่นเราจะเก่งแค่ไหนถ้ามันไม่หายใจเป็นยังไง เราจะจนถ้าเราไม่หายใจเราก็ตายเราจะสวยแต่เราไม่หายใจเราไปไงตายเพราะฉะนั้นพอเราคิดถึงความตายให้มันตระหนักอย่างนี้นะมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรหมดเวลาหมดเวลาทุกท่านคืออาตมาจะพูด ร้อยชั่วโมงพันชั่วโมงไม่มีความหมายถ้าโยมไม่ปฏิบัติเข้าใจไหมอันนี้ตมาก็พูดให้มันครบ3ามโมงอะ่ะคือพูดมาเพื่อให้ถึงเวลาบ่าย3ามโมงเป็น <c oughs> มาจบแต่ไม่ล็อกเอาจริงพูดจริงจังนะคือว่าที่ตั้นทั้งหลายปรับ กระบวนการผิดกองตนเองมาแล้วเนี่ยให้มันมีทัศนะหนึ่งมองให้เห็นถึงความสําคัญของการมีชีวิตประชีวิตของเราการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมจิตนั้นสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนี่คืออันดับหนึ่งเป็นเรื่องราวอันดับหนึ่งแล้วให้มีท่าทีที่ถูกต้องไว้และการฝึกฝนจิตการฝึกฝนกายให้เป็นการฝึกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตที่ถูกต้องนั้นคือตามพระพุทธเจ้า ตรงต่อพระพุทธเจ้าถ้าเราตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วนะสบายคือถ้าตรงต่อพระพุทธเจ้าแล้วนี่สบายของใครมาขัดกับพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนนะเพราะไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติกันมาเนี่ยมันตั้งแต่สมัยก่อนพระเจ้าเยอะแยะแต่เมื่อเกิดพระเจ้าพระเจ้าสอนอย่างนี้คือมันมีที่รับรองแล้วอ่ะใช่ไหมมันถูกรับรองแล้วอ่ะก็เหมือนอีเท่ากับเอ็มซีกลังสองอ่ะมันรับรองกันยัง รับรองแล้วพราะมันผลิตประเบิดปานุอยู่กันเต็มทั่วเมืองมันมันรอกดปุ่มกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกันพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเลยสืบเมืดทอดกันมามันเป็นพระญานมาทั้งหมดแล้วรักษากรรมสอนนี้จนสืบมาจนถึงตอนเนี้มันมันมันมีความสงสัยใดๆแล้วเหลือแต่เราจะไปปฏิบัติตามเท่านั้นตรงต่อพระเจ้าเนี่ยมันก็จะได้ชีวิตมันก็จะได้มีความหมายขึ้นมา นั่นฝากไว้เด้ืยให้ระลึกถึงความตายนึกขึ้นมาดึงความตายขึ้นมาให้มาพิจิตพิจรารณาบ่อยๆเมื่อมันทึมซับก็บไปเห็นความคิดเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมีมูลค่าน้อยนิดแล้วเนี่ยมันจะได้ทําในสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เป็นสาระอะไรที่ควรทําก่อนมันก็จะได้ทําในสิ่งนั้นไม่ปล่อยให้อํานาจของความหลง แล้วเราอยู่ในวัยของพวกเราที่มาปฏิบัติกันแล้วเนี่ยมาถอยกลับไปเนี่ยเรานึกถึงสภาพคนที่ไปนําห้องอาหานร้านอาหา ร, หา ร, หา ร, หารไปกินเ ม, มาไม่ลุกสนุกสนา น, นรื่นเริงเี้งาเสร็จแล้วก็เสียสติสาบชัญญะสูญเสียการครอบครองตนเองกลับมาอีกทีฟื้นรู้สึกตัวอีกไหมที่ก็นอนอ่าเราจะไปเปอย่างนั้นได้ไหมเรา ไม่สมควรที่จะไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วพวกท่านทุกคนที่มานั่งที่นี่วันนี้นะไม่สมควรกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมีอาการแบบนั้นอีกแล้วพอมาอย่างนี้เขาก็แน่แน่ขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปก็คือการจะเริญกุศลแหละเรียกว่าเอาชีวิตที่มีอยู่นี้ให้เป็นที่ ตั้งของกุศลธรรมอะไรดีอะไรที่เป็นบุญอะไรที่เป็นความเจริญอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนของหมูคนหมู่มากที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนษุษย์อะไรที่เป็นกุศลเป็นความดีงามเป็นบุญทั้งหลายแหละที่มีโอกาสาทาทาทาทาทาทาทานอกเหนือจากการที่เรามุ่งมั่นในการกําจัดป้องกันอกกุศลคือความไม่ดีแล้วเร่งในเรื่องของการ ทำความดีสองอย่างนี้มันจะทำให้อะไรทำให้กายใจมันสะอาดทำให้กายใจมันสะอาดแต่ว่าไอ้การที่ถอยกลับไปเหมือนเราสาวสาวบุรุรุ่นนะมันทำได้ไหมไม่ไ ด, ไได้ในคืนทำกุญยจแล้วมันเพราะฉะนั้นไอ้สองอย่างเนี้ยเราก็ทำให้สะอาดแล้วหันมาฝึกฝนอบรมจิตโดยใช้กายเป็นเครื่องมืออย่างที่พูด ถ้ามันมีกำลังไม่พอก็นึกถึงความตายพิจารณาเหเื็นความตายว่าจนกระทั่งจิตมันประจักษ์ว่าเราชีวิตเราเนี่มันมีค่ามีค่ามากแล้วมันมีอันเดียวมันมีชีวิตเดียวมันไม่มีเวลาที่จะให้ใช้ไปทำอย่างอื่นอีกแล้วโอ้ทีนี้แหละมันจะเดินหน้าเลยมุ่มันคงมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าว ก็จะให้สำเร็จประโยชน์มากอ่าสำหรับวันนี้ทมกวนแก่เวลาแล้วนะแถมอืมขอให้ทุกๆ ท, ท่านจงประสบในสิ่งที่ปรารถนามีความเจริญในพระธรรมคาสอนของรมเิจพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด ยะถาวาริวัหาปูราปริปูเรนติสักรเงวเมวอิโตตินนังเปตานัอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังยิปะเมวสัมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคาปาจันโทปนารโสยะามานิโชติรโสยะาอภิวาฒนสิริสานิจังวุฒาปจายิโดจตารุธรรมาวัฒนติ อายุวันโดสุขขังพลังสิตามัตุสิตามตุสิตามตุอีดังพลังเอตสมิงรตนตาเยสมิงสัมปสะาเจตัสโซสัพพุถานุภาเวนะสัพพะทมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพะวันตุเต